253. พระจิตที่เป็นธรรมกายที่แท้และที่เกผู้ที่บรรลุปรมัฏฐธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานดังกล่าวนี้มีวิชาแปดหรือยานทัศนาวิเศษที่รู้จักรู้แจ้งรู้จรงิงจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างที่เป็นกายในตนคำตัดของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230และปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุความเป็นพรหมกายหรือธรรมกายที่สัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติจนเป็นสัมมาปฏิเวสสัมบูรณ์แท้จริงซึ่งต้องรู้จากความเป็นองค์รวมของรูปกับนามอย่างสัมมาทิฏฐิ และสามารถทำใจในใจมณสิกโรติของตนเองหรือสร้างวิญญาณของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสาสวะได้จริงพระพรหมหรือพระเจ้าเท่ากับพระผู้สร้างกิจตนจึงมีวิญญาณที่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันไม่มีประมาณ ช่วยกาจัดมารซาตานอากุศลจิตรักษาป้องกันไม่ให้มาเป็นตัวลุกรานอยู่จริงพระศิวะเท่ากับพระผู้ปราบผู้กาจัดและมีบิญญาณที่เป็นผู้สร้างสรรค์แต่กุศลให้เป็นคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกในมนุษย์ได้จริงอย่างมีผลจริง พระนารายณ์พระรามพระวิษณุซึ่งการบรรลุธรรมกายหรือพรห ม, มกายดังกล่าวนี้ไม่ใช่ธรรมกายตามที่วัดหรือสำนักบางสำนักหมายถึงเด็ดขาดเพราะความเป็นธรรมกายตามที่อาตมาหมายถึงนี้เป็นธรรมกายหรือพรห ม, มกายที่พระพุทธเจ้าทรงหมายถึงพระองค์เองทีเดียว อันมียืนยันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม11ข้อ55ส่วนธรรมกายของวัดหรือสำนักบางสำนักที่ยิ่งใหญ่อยู่ในประเทศไทยและขยายสาขาไปในหลายประเทศนั้นเป็นการเอาคำว่าธรรมกายมาใช้เป็นประโยชน์ทางอากุศลโลกีแก่ตนเท่านั้นซึ่งเขายังมิฉาทิฐิอยู่จริงๆ แม้แต่คำว่ากายเขาก็ยังไม่สัมมาทิฏฐิเลยปฏิปทาในการปฏิบัติก็เน้นการปฏิบัติอยู่อย่างเห็นชัดยิ่งว่าหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังเพ่งแต่รูปที่เป็นสัญญาอยู่ภายในเขาจึงไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกายเลย ซึ่งมิใช่การปฏิบัติที่สัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายแม้สักนิดเพราะเขาหลงสวรรค์เพลินจนลืมนรกไปจริงๆ